สิกขาบทที่สภิกษุนีมีพรรษาต่ำกว่าส2บองบวชให้กุลธิดาต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งกำลังบวชให้ต้องอาบัาบตออบทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อบวชให้แล้วต้องอาบัตปาจิตตี